พระกรุณาโปรดประทานไว้ว่าอัปมาทางปมาเทนะยะทานุทติปันดิโตปัญญาปาาธมารุหะอโสโโกโศกินิปชังปพตัตโถวภุมมะเถ ท, ทีโรพาเลอเวคติมีความว่าบัณฑิตย่อมบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเมื่อนั้น ท่านขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสตรหาความเศร้าโศกไม่ได้พิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้เศร้าโศกอยู่นักปราดย่อมพิจารณาเห็นคนพานดุจบุรุษผู้ยืนอยู่บนภูเขาแลเห็นคนผู้ยืนอยู่บนแผ่นดินฉะนั้นดังนี้ขอถวายพระพรปุณณาจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริ ธรรมดาว่าบัณฑพศไม่ได้โอนเอ็นไปยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ไม่ได้โอนเอ็นไปในโลกธรรมดุดดังภูเขาอันไม่ได้โอนเอ็นไปมาฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งบัพฑพศคำรบห้ายุติด้วยคำอันนางสุพัทธาอุบาสิกากล่าวไว้ว่า ลาเพนะอุณโตโลโกอะ ล, ลาเพนะจากโอนโตลาพาลาเพนะเอกถาตาทิสาสมนามะม ะ, มะมะมีความว่าธรรมดาสัตว์โลกเป็นโลกีแม้ว่าได้ลาบแล้วก็ฮึกเหิมเพ้อไปเมื่อเสื่อมราบก็เศร้าโศกเสียใจอกตรมอันสมณะของเรานี้จะได้น้อมไปด้วยราบ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 องห้าแห่งอากาศนั้นอย่างไรเล่าพระนาคเสนจิงวิสัชนาว่ามหาราชดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอากาโสนามะชื่อว่าอากาศอะเคยโหหาผู้จะถือเอาไม่ได้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงกระทาน้ำใจ อย่าให้กิเลสถือเอาได้ดุจอากาศฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งอากาศเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าอากาศเป็นที่เที่ยวแห่งฤาษีและดาบทยะถาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงกระทำอารมณ์ให้เที่ยวไปในสังขาร พิจารณาเห็นเป็นพระอนิจจังพระทุก ข, ขังพระอนัตตานี่แหละเป็นองค์แห่งอากาศคำรบสองปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐอากาโสนามะชื่ออันว่าอากาศอสันติโตมิได้เป็นที่ตั้ง ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึ่งกระทำอารมณ์ให้ปราศจากลาบทั้งปวงมิได้ยินดีในภพดุจอากาศอันหาที่ตั้งมิได้ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งอากาศคำรบสามปุณจจะบารังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชะสมพานเจ้าผู้มีสัเป็นอรครกษัตริย์อันประเสริฐอากาโสอันวะอากาศอนนันโตหาที่สุดมิได้อปเปเมโยอัปปมาโนจะนับจะประมาณไปว่ากว้างใหญ่เท่าไรก็ประมาณมิได้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวะจรเจ้าก็พึงมีศีลมารยาต ประมาณมิได้และมีพระปัญญาประมาณมิได้ดุจอากาศฉันนั้นนี่เป็นองค์แห่งอากาศเป็นคำรบสีปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้มีศักเป็นอัคราษตร์อันประเสริฐอากาโสอันว่าอากาศมิได้ขัดข้องเปล่าอยู่หาปรีพู์มิได้ ยถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึ่งกระทาอารมณ์มิได้คล้องอยู่ในกิเลสทั้งปวงและมิได้เป็นปริโภธด้วยลาบและตระกูลย่อมละหมู่และคณะดุดอากาศอันหาที่ตั้งมิได้ฉันั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งอากาศเป็นคำรบห้ายุติด้วยพระพุทธดีกา ที่สมเด็จพระบรมโลกกนาสาสดาสามมาสัมพุทธบพิเจ้าส่งพระกรุณาให้โอวาดแก่พระพุทธโอรสราหุลเถระเจ้าดังนี้ว่าเศยธาปิราหุลอากาโสกัตจิปติติโตเอวเมวะโขวะตวังราหุลเตอากาสัสสะสะมะภาวนังภาเวตพังมีความว่า ดูราณะราหุนอันว่าอากาศหาที่ตั้งไม่ได้ยะถามีครุวนาฉันใดดูราณะราหุนเธอจงจำเริญภาวนาให้จิตนั้นเปลา่าดุดอากาศฉันนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งพระจันห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้าคเสณผู้ปรีชายานองค์แห่งพระจันหานั้นอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าหน้าคเสณจึงวิสัชนาว่ามหาราชดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัครขาขสัตอันประเสริฐจันโทนามะธรรมดาว่าพระจัน ครันสุกกละปักข้างขึ้นแล้วจำเริญพระรศมีสว่างขึ้นไปยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึ่งจริญด้วยอาจาระและศิลคุณวัตตปฏิบัติเป็นอันดียังไตรปิดกและโลกุตละและชมชานให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพึ่งประกอบสำรวมอินทรีประมาณที่จะบริโภคอาหาร และประกอบความเพียรเครื่องปลุกใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดุจพระจันทร์อันมีพระรัศมีรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในสุกะละปากข้างขึ้นฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระจันทร์เป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐพระจันทร์นั้นก็จัดเป็นอธิบดีอย่างหนึ่งยถา มีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าพึงประพฤติในเรื่องที่เป็นใหญ่เป็นฉันทาธิปดีปรารถนาสันเลขาเหมือนพระจัน์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระจัน์คำรบสองปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐ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 พระโยคาวาจอนเจ้าก็มีศีลเป็นธงชัยดุจพระจันทร์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระจันทร์คำรบสี่ปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าพระจันทร์เจ้าอันบุคคลไม่อ่อนวอนไม่ปรารถนาก็ย่อมขึ้นสองโลกยะถา มีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าเมื่อตระกูลไม่อาราธนาไม่ปรารถนาก็พึงเข้าไปสู่มาหาดุจพระจัน์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระจัน์คำรบห้ายุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธพรสัพพัญยุบรมครูเจ้า ตรัสไว้ในสังยุตตนิกายอันประเสริฐว่าจันทูปมาพิกเวกุลานิอุปสังกมมักะอวังกัสสกายังอวังกะัสะจิตตังนิจจังวิริยังอปะคภโภมีความว่าพิกเวดูรานะพิษุทั้งหลายพวกเธอจงเข้าไปสู่ตรกูลเหมือนพระจันทร์แต่อย่าขนองกายขนองจิต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 เป็นอย่างไรเล่าพระนาคเสษ็จึริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัคราษตรอันประเสริฐธรรมดาว่าพระอาทิตย์ย่อมเผาพืชทั้งปวงให้แห้งไปยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึ่งเผาเสียซึ่งกิเลสทั้งปวงให้แห้งไปเหมือนฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งพระอาทิตย์เป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอันว่าพระอาทิตย์ย่อมกำจัดเสียซึ่งอนทการคือมืดให้สว่างยะถามีค«รุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึงกำจัดเสียซึ่งราคะทั้งปวงอันมืดและโทสะทั้งปวงอันมืด และโมหะทั้งปวงอันมืดและทิฐิอันมืดและกิเลสอันมืดและทุจริตอันมืดให้สว่างจากสันดานฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คำรบสองปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอคัครกษัตริย์อันประเสรศิฐธรรมดาว่าพระอาทิตย์ย่อมเวียนไปตาม คือเที่ยวไปเนืองๆยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึ่งทำโยนิโสมณนสิการในปฏิบัติอย่ารู้ขาดดุดพระอาทิตย์อันเวียนไปฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คำรบสามปุณณะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐ ธรรมดาว่าพระอาทิตย์ย่อมมีระเบียบพระรามียะถามีคารุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็มีระเบียบในอารมณ์ดุจพระอาทิตย์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คํารบสี่ปูณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐพระสุริยะ ย่อมยังคนทั้งหลายให้ร้อนด้วยรัสมียะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ยังมนุษย์โลกกับทั้งเทวโลกให้ร้อนด้วยมาลยาตศีลคุณวัตตปฏิบัติและชาณวีโมกสมาธิสมาบัติและอินสีและพระพุทชงและสติปัฐานสัมมาปทานอิทธิบาท ดุดพระอาทิตย์อันมีโอภาษอันร้อนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์คำรบห้าแห่งพระอาทิตย์ปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาพระอาทิตย์เที่ยวไปย่อมกลัวภัยคืออสุรินทาราหูเป็นอันมากยะถามีครุวนาฉันใด พระโยคาวจรเจ้าเห็นสัตว์โลกอันทนทุกข์อยู่ในทุกขติหรือมีสันดานคลองอยู่ด้วยกิเลสและทิฐิอันลามกปฏิบัติผิดทางก็มีน้ำใจสลดสังเวชดุจพระอาทิตย์อันกลัวอสุรินทาราหูฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คำรบหกปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมผานผู้ประเสริฐพระอาทิตย์ย่อมส่องให้เห็นช่องดีชั่วได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงแสดงธรรมเป็นโลกิยะและโลกุตระด้วยอินทรี์ระละโพชมสติปฐานส ม, มปทานอิทธิบาตให้แจ้งประจักษ์ดุจพระอาทิตย์ฉันนั้น นี่แหละเป็นองค์แห่งพระอาทิตย์คำรบเจ็ดยุติด้วยคำอันพระผู้เป็นเจ้าวางคีสะเถระกล่าวไว้ว่ายะถาสุรโยอุทยันโตรูปังทัสติรูปินังสุจินจาสุจินจาปิกัลยาณนันจาปิปาปกังตะเทวพิขุธรรมทโรอวิชชายะปิหิตังชนัง ปชังทัสติวิวิธังอาธิจโจอุทยังยถามีความว่าพระอาทิตย์เมื่ออุทัยขึ้นย่อมส่องให้เห็นรูปแห่งของที่มีรูปทั้งหลายย่อมส่องให้เห็นของสะอาดและศกปลกทั้งสองให้เห็นของดีของชั่วได้ยถามีครุวนาฉันใดภิกษุผู้ทรงธรรม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 องสามแห่งเท้าส ก, กะนั้นอย่างไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเคเสนจริงถวายพระพรว่ามหาราชลูรานะบพิษพระราชสมภารขึ้นชื่อว่าเท้าส ก, กะเทวราชย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขส่วนเดียวยะถามีขรุวนาฉันใดพระอยู่ข่าววจรเจ้า ก็ยินดีในความสุขเกิดแต่วิเวกอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวเหมือนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเท้าสักกะเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งมหาราชะดุราณบพิทพระราชสมภารเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายพบเห็นพระธรรมแล้วย่อมยกย่องทำความร่าเริงให้เกิด ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงประคองไว้ซึ่งใจให้เบิกบานไม่เกียดคร้านสงบประงับยังความร่าเริงใจให้เกิดในธรรมเป็นสุขทั้งหลายและพึงลุกขึ้นทำความเพียรพยายามเหมือนกับเท้าสักกะฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเท้าสักกะคำรบสอง ปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชาดรานะบพิทธพระราชสมภารเท้าส ก, กะเทวราชจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในสมบัติของพระองค์หามิได้ยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าไม่พึงทำความเบื่อหน่ายในเรือนอันว่างเปล่าให้เกิดขึ้นเหมือนเท้าส ก, กะเทวราชฉันนั้น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 องศ์สี่แห่งสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิีรานั้นเป็นไฉพระผู้เป็นเจ้านาคเษน จ, จิงถวายวิสัชนาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาพระเจ้าจักรพรรดิีราชย่อมยึดเหนี่ยวน้ำใจไพร่ฟ้าประชาราษฎรไว้ได้ด้วยสังคหาวัตถุสี่ประการยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้า ก็ยึดเหนี่ยวน้ำใจของบริษัทสีไว้ได้และประคองทำใจของบริษัทให้ร่าเริงหลุดพระเจ้าจักรพรรดิราชานั้นนี่แหละเป็นองค์ของพระเจ้าจักรพรรดิราชเป็นปฐมปุณณจะ บ, บรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารพวกโจรที่เป็นเสี้ยนน้ำแห่งแผ่นดิน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 ยุติด้วยคำอันสมเด็จพระสัพพัญยูบรมครูเจ้าตรัสไว้ว่าวิตากูปสเมจะโยระโตอสุพังภาวยตีิสทาสโตเอสโขพยานีติกาหาติเอสเชิดชติมารพันธนังมีความว่าก็ภิกษุรูปใดยินดีแต่ในธรรมเป็นที่ระงับวิตกมีสติ จเจริญอาสุภะอยู่ทุกเมื่อภิกษุนั่นแหละจะกระทาให้สิ้นสุดได้จะตัดบวงมานได้ดังนี้ขอถวายพระพรปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบวชิศพระราชสมผานเจ้าพระเจ้าจะกระพัดยิราชทรงพระคำหนึงถึงบุญและบาป ทรงสั่งสอนไพร่ฟ้าประชาราชสตรที่อาศัยอยู่ในพระราชอาณาจักรตลอดขอบเขตมีมหาสมุทรเป็นที่สุดเสมอทุกวันยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงพิจารณากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ทุกวันทุกวันว่าวันของเราผู้ไม่ค้่องอยู่ด้วยฐานะทั้งสามนี้ ล่วงไปบ้างหรือไม่แล้วก็ชำระ ก, กายวาจาใจให้บริสุทธิ์ฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระเจ้าจั ก, กรพัฒดียราาคำรบสามยุติด้วยพระพุทธดีกาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเอกนิบาตอังคุตระนิกายอันประเสริฐว่าบรรพชิตควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้ขอถวายพระพรปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารพระเจ้าจะกระพัดเดียราชทรงปกครองพระราชอาณาจักเป็นกวดขันทั้งภายในภายนอกยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้า ก็พึงตั้งนายประตูคือสติไว้เพื่อให้ระวังรักษากิเลสทั้งภายในภายนอกมิให้รบกวนสันดานได้ดุจพระเจ้าจั ก, กรพรรดิราชรผู้รักษาพระราชาอาณาจาของพระองค์อย่างกวดขันฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิราชฎรคำรบสียุติด้วยพระพุทธดีกาอันพระมหากรุณาเจ้าตรัสไว้ว่า สติโทวาริโกภิกเขเวอริยสาวกโกดังนี้เป็นอาทิความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกมีนายประตูคือสติประจำอยู่ย่อมละอกุศลเสียทำกุศลให้เกิดได้และละธรรมที่มีโทษเสียเจริญธรรมที่ไม่มีโทษได้บริหารรักษาตัวทำให้บริสุทธ์ ด, ดังนี้ ขอถวายพระพรจบจักรวัติวัฏที่สามแต่เพียงนี้ในที่สุดวักนี้พระคันธารัจนาจารย์พระพันคาถาแสดงข้อบทมาติกาที่กล่าวมาข้างต้นไว้ว่าปัทวีจะอาปโปจาปิเตโชวายโยจะปัปพโตอากาโสจันทะสุริโยจสะสกโกจะจักรวัติจามีความว่า องแห่งแผ่นดินองแห่งน้ำองแห่งไฟองแห่งลมองแห่งบันพศองแห่งอากาศองแห่งพระจันทร์องแห่งพระอาทิตย์องแห่งเท้าสกะองแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราษฎร์องเหล่านี้ท่านจัดไว้เป็นวรรคหนึ่งดังนี้แล